สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้บทเรียนจากชุภาษิทธ์ปรากฏในบทที่20 0ข้อที่7ถึงข้อที่12สุชภาษิทธ์บทที่20 0ข้อ7ถึงข้อที่12โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าคนชอบธรรมดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนลูกหลานของเขาที่เกิดตามมาก็เป็นสุขพระราชาผู้ประทับบนบัลลังก์ พิพากษาย่อมทรงฝัดร่อนความชั่วทุกอย่างออกด้วยพระเนตรของพระองค์ใครจะพูดได้ว่าข้าทำให้ใจของข้าสะอาดแล้วข้าบริสุทธิ์พ้นบาปแล้วตุ้มน้ำหนักช่อฉนและเครื่องตวงขี้โกงทั้งคู่ต่างก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาเวแม้เด็กก็เผยตัวเองออกมาโดยการประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขาทำบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่หูที่ได้ยินกับตาที่มองเห็นพระยาเวทรงสร้างทั้งสองอย่างพี่น้องครับเราเริ่มต้นในวันนี้ในข้อที่7ครับเพิพ่มพิกล่าวว่าคนชอบทำดำเนินในความสื่อสัตว์ของตนลูกหลานของเขาเกิดตามมาก็เป็นสุขอันนี้คือลูกไม้หล่นย่อมไม่ไกลต้นโดยปกติแล้วนะครับ คนชอบทำหรือคนที่ดำเนินชีวิตในทางที่ดีแน่นอนครับเขาจะมีลูกมีหลานที่ดีและได้รับผประเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากลูกหลานได้เห็นต้นแบบหรือแบบอย่างความประพฤติของพ่อแม่เขาและเขาก็เลือกกับเลือกดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้เดินมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกไม้จึงหล่นไม่ไกลต้นพี่น้องครับ การประพฤติที่ดีการกระทำที่ดีก็เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือได้ครับเพราะอะไรครับแม้กระทั่งเด็กก็ยังรู้ว่ามันดีตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้ามัวแต่สอนอย่างเดียวเราไม่ดำเนินชีวิตให้เขาดูเขาก็จะหนีจากเราครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของเขานั่นนี่ครับเราเห็นว่าเด็กสามารถรู้ครับ เด็กสามารถรู้และรู้ดีรู้ชั่วได้ด้วยเขาสามารถสังเกตอุปนิสัยของพ่อแม่การกระทำของพ่อแม่ครับความดีตรงนี้ก็คือความบริสุทธิ์และถูกต้องเด็กรู้ครับว่าอะไรบริสุทธิ์อะไรถูกต้องเด็กรู้ครับว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่ถูกถามว่าเด็กจะรู้ได้ไงครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่สอนก็ต้องทาตัวตาม ที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ดีที่สุดครับแน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีใครที่จะทำได้สมบูรณ์แบบร0 0ตามที่ตัวเองสอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ครับว่าเราสอนแต่เราก็ยังไม่ได้ถึงร0อร์ซแต่ผมอยากจะให้กำลังใจครับหนุนใจทุกท่านว่าการที่เราจะทำตาม ที่เราสอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความภาคเพียพรพยายามอุตสาหะของเราพี่น้องครับหลายลายคนทีเดียวก็มักจะบอกว่าสิทธยาพิบาลก็ไม่ได้ทำตามที่ตัวเองสอนแน่นอนครับไม่มีสิทธยาพิบาลคนไหนทำได้ 100% เเช่นเดียวกันครูก็เหมือนกันครับครูก็ ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่ตัวเองสอน100เตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสถานภาพของการสอนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งสิทธิพี่บาล น, นะครับไม่มีใครทำได้ร0 0เแต่เราต้องพยายามทำครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าคนที่สอนนั้นพระเจ้าก็จะอวยพรพรเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันครับคนที่สอนก็จะต้องรับผิดชอบเป็น2เท่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในข้อที่7นี้ได้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งต่อไปครับเป็นข้อที่8ข้อที่8นั้นพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าพระราชาผู้ประทับบนบันลังพิพากษาย่อมฝัด ร, ร่อนความชั่วทุกอย่างออกด้วยพระเนตรของพระองค์นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับหรือกษัตริย์ หรือผู้ปกครองนี่แหละครับมักจะเป็นผู้พิพากษาสูงสุดในองค์กรในสถาบันในประเทศชาติหรือแม้กระทั่งในครอบครัวก็ตามเราซึ่งเป็นผู้นำนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องของการให้คุณให้โทษเราจะต้องมีความสามารถที่จะแยกแยะเจตนาดีเจตนาร้ายเราจะต้องไม่หูเบาเราจะต้อง ไม่ตาฝ้าฟางพี่น้องครับตาของคนนั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจตาของคนนั้นเป็นหน้าต่างของความคิดและจิตใจตาของกษัตริย์ก็สามารถที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์ได้เช่นเดียวกันครับถ้าตาของเขานั้นมีแววตาที่สงสัยก็แสดงว่าเขาสงสัยตาของเขาแสดงถึงความมั่นใจก็แสดงว่า ในใจเขาเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจพี่น้องครับประสบการณ์จะสอนให้ผู้มีอำนาจนั้นมีความเชี่ยวชาญมีความฉเฉลียวฉลาดไม่ถูกหลอกง่ายจากพวกอาชญากรหรือคนทำผิดทั้งหลายน่าเสียดายครับที่หลายครั้งคนที่มีประสบการณ์เยอะคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแต่ก็ลุ่มหลงมัวเมากับประสบการณ์และความสำเร็จของตนทําให้พลาดครับพลาด แก่คนที่ใกล้ชิดคนที่คอยเชียร์คนที่คอยประหลาะคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ดีด้วยเหตุนี้เองแทนที่เขาจะใช้ประสบการณ์แทนที่เขาจะใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองใช้ความฉเฉลียวฉะลาดของตนเองนั้นเขาก็ถูกบทบังไปพี่น้องครับใครก็ตามที่เป็นเช่นนี้ ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับใครก็ตามที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีพร้อมไม่มีความผิดไม่เคยทําผิดนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่9คํากล่าวแบบนั้นเป็นความเท็จครับฟังไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครที่ไม่เคยทําบาปไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า มีแต่พระเยซูเท่านั้นครับที่ไม่เคยทำบาปแม้ว่าพระองค์จะเป็นมนุษย์ร0 0ก็ตามในขณะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อรเ็น์นั้นพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าทั้งร0 0ด้วยพระองค์ไม่เคยมีบาปและไม่เคยทำบาปแต่พระเยซูรับแบกบาปของเราไว้ครับต่อไปครับเป็นข้อที่10ข้อที่10นั้นก็พูดถึงเรื่องราวของการช่อโกองครับ ตุ้มน้ำหนักช่อฉนและเครื่องตวงขี้โกงตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและสั์ซื่อและหลักฐานประการหนึ่งของคนที่มีจิตใจไม่ดีไม่บริสุทธิ์มีการประพฤติเสื่อมเสียก็คือการดําเนินชีวิตธุรกิจการดําเนินธุรกิจดําเนินชีวิตที่คดโกงพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนั้นก็จะมีลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่ที่คดโกงนั้นก็จะมีลูกที่คดโกง พระเจ้าทรงเกลียดชังตาช่างที่ชอฉนชอโกงเพื่อเอารัดเอาเปรียบเอากำไรที่ไม่สมควรทางด้านค้าขายการทำธุรกิจลูปแบบการโกงอย่าหลากหลายนะครับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแอบแฝงนะสิ่งเหล่านี้ครับบิดเบือนความยุติธรรมพระเจ้าทรงเกลียดชังครับลูกตุ้มและตาช่างเป็นเครื่องวัดความแม่นยำของการค้าขายแสดงถึงความสัตย์ซือได้ครับถ้าเรา ตรงและลูกตุ้มนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่จะวัดความแม่นยําได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าเราตรงนะครับเราก็จะปรับลูกตุ้มและตาช่างของเราให้ตรงการทําธุรกิจครับจะ ต, ต้องไม่หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกันพี่น้องครับการดําเนินชีวิตในที่ทํางานแม้ว่าท่านจะทํางานบริษัทก็เช่นเดียวกันครับจะต้องไม่อารัดเอาเปรียบและนี่ไม่ใช่เป็นหน้าพัดไทยของประเจ้านะครับการอารัดเอาเปรียบเนี่ย ทำให้ผู้กระทำนั้นต้องตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าสมควรระวังเป็นอย่างยิ่งครับข้อ11บครับข้อ12เช่นเดียวกันครับก็พูดถึงว่าใครที่มักพูดโ oh, อ้อวดนะคนนั้นไม่ได้พูดความจริงการประพฤติของเขาแสดงตัวตนของเขาออกมาครับความประพฤติของเด็กก็เช่นเดียวกันครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเราจะเห็นตัวตนจริงๆของเขาก็คือเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีอุปสรรคเวลาที่วิกฤตดังนั้น จึงไม่พอที่จะใช้การฟังอย่างเดียวครับต้องดูความประพฤติของเขาด้วยจึงจะรู้จักคนคนนั้นอย่างแท้จริงข้อสิบสองครับหูที่ฟังหมายถึงการรับคำสอนครับการเชื่อฟังทําตามตาที่มองหมายถึงการอย่างรู้ทางศิลธรรมรวมกันแล้วครับทั้งสองก็บ่งบอกนะครับรวมกันแล้วทั้งสองก็บ่งบอกถึงการประยุกต์ใช้สติปัญญาที่มีอยู่ในตัวของเขาอยู่ในใจของเขา ในสมองของเขาออกมาเป็นภาคปฏิบัติพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหูที่ฟังตาที่มองก็หมายถึงออกมาให้คนอื่นเห็นครับเริ่มต้นที่การฟังครับส่งไปที่สมองบันทึกความทรงจําตัดสินใจและก็แสดงออกด้วยการประพฤติพี่น้องครับพระเจ้าประทานความสามารถแก่ผู้ที่จะรับคําแนะนําได้และที่จะเข้าใจสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาจะเลือกปฏิบัติได้ ที่น้องครับชีวิตของเราเลือกได้ครับและเมื่อเรารู้ว่าเราควรจะรับคําแนะนําพระเจ้าจะประทานความสา ม, มารถที่จะรับคําแนะนําได้และพระเจ้าจะประทานความเข้าใจให้เราอีกครับให้เรารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเลือกครับขอพระเจ้าช่วยเราครับชีวิตเลือกได้อาเมน